อนาปฏิวนันพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ6กสิกหนพิสูตที่แสดงธรรมโดยมีบุรุษรูดยงสาอยู่ด้วย 2. อพิกษุแสดงธรรมมีเพียง5้ถึงหคำสามพิกษุแสดงธรรมต่ำกว่า5้ถึงหคำสีพิกษุลุกขึ้นแล้วมานั่งแสดงธรรมต่อไปอีก 5. ้พิกษุแสดงธรรมในที่ที่มาถุกคมลุกขึ้นแล้วนั่งลงอีก 6. ภิสษุแสดงธรรมแก่มาตุคามอื่นต่อ 7. ภิสษุถูกถามปัญหาแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามผู้ถาม 8. ภิสษุแสดงธรรมเพื่อคนอื่นแต่มีมาตุคามฟังอยู่ด้วย9กิกษุวิกลจริตส0ภิกษุต้นบัญญัติธรรมเทศนาสิกขาบทที่7จบ